ลองเปิดหนังสือทำวดทนะัดไปหน้าหนึ่งใหมท่ทีงนะไปหน้าหนึ่งใหม่ทีงคำถวัตจ้านะเราลองมาจักซอ้อใกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันลองเปล่งเสียงออกม า, าให้มันไม่ใช่เบาหรือว่ามันแรงเกินไปคือเสียงมันฟังแล้วคนฟังแล้ว ม, มันเกิดความรู้สึกศรัทธา มีความเชื่อว่ากลุ่มเรากำลังมาทําดีกันอย่างเงี้ยเวลาพูดนินทานะให้เบาๆหรือไม่ต้องพูดนะดีเวลาพูดดีๆเนะ่ยอะไรดีๆดัดงๆอย่างเช่นทําว่าสวดมนต์เนี่ยนะเราเชื่อว่าคําพูดเนะี่ยมาจากพระพุทธเจ้าแน่นอนเชื่ออย่างนี้เลยนะศา ส, สดา พ, พูดเอาไว้สอนพวกเร า, เาไว้ลองดูนะ คำบูชาเราก็บูชาคนที่ควรบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความดีเราบูชาแน่นอนแต่งเสียงนะอรหังจำมาสัมพุโทโภคาวาพระผู้มีพระภาเจ้าเป็นพราลาหาันอ่ะพอหยุด ประมาณนี้พอใช้ได้แล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเดี๋ยวพอเราคุ้นกับคําสวดกับคําแปลเสียงมันจะพูดด้วยพลังนะด้ยพลังของคาพูดคือมันจะน่าฟังเลยเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาชุมชนนี้ก็ทำอะไรกันเนี่ยลองแวะเข้ามาดูหน่อยสิเสียงทำไมมันฟังแล้วรู้สึกมีพลังมีกาลังใจจังเลยอะไรเงี้ยนะอ่ะคราวนี้เราก็เก็บหนังสือวางไว้ข้าง ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตอนเช้านะหลังจากเราตื่นนอนมาตอนประมาณตีสามเราก็ล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมแล้วก็แต่ละคนแต่ละท่านก็เดินมารวมกันเป็นกิจวัตรประจําวันของชุมชนตีสี่ตรงเสียงกล้องดังเราทําวัดเช้าร่วมกันนี่แหละประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จบหลังจากที่เราแผ่เมตต า, าคือเราได้ สวด ม, มันต์ประมาณครึ่งชั่วโมงจิตใจของเราก็มีพลังนะนะมีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่มีความมั่นคงก็คือกําลังของสมาธิน่ะนะสติเราก็รู้คําสวดคําสอนนีตั้งแต่สมัยพ 2, ุทธกาล 2,000 ันกว่าปีจนทังปัจจุบันเนี่ยปีนี้เป็นพุทธชยันตี 2,600 ปีผ่านมาแล้วของการตัสรูุ้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทั่วโลกเขาก็ยอมรับสหประชาชาตินะ ตั้งไว้เลยเป็นวันแห่งความรักเนี่ยนะวันนิสาขาบูชาเป็นวันที่มนุษยชาติได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดกับการที่พระเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นไปกันนี้สองพันกว่าปีมเป็นวันนี้ของเราละเราลองได้มาสวดมนต์แล้วก็โดยพระบทสวดที่เราพาสวดวันนี้ก็คือเรื่องของไัยเรื่องของภัยทุกคนมีไพรหมานะนะ ย่างน้ตัวเองก็เป็นภัยต่อตัวเองแล้วตอนนี้นั่งก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยแล้วอากาศก็หนาวก็ร้อนนะตัวเองเป็นภัยตัวเองแล้วน้ําหนักของตัวเองกดทับตัวเองอยู่เนะี่ยอาหารกินก็ไปเมื่อวานวันนี้อาจจะสังหารเราก็ได้เป็นเซลล์ลายในตัวเราเซลล์มะเร็งก็ได้ทําให้พูนต้านทานเราลดลงก็ได้เรามีภัยภัยอากาศเนี่ยอากาศร้อนอย่างนี้นะภัยจากสัตว์สาลาสิ่งโลกาภัยอุปธธัติภัยต่างๆขาดสติไม่ได้วินาศภัยมาหันภนะัยนะเยอะแยะ นะโลคาภัยมันก็มีหมอนะก็ น, นี่ภัยวัฏสงสารเป็นภัยไร้ในตัวเราทำไงสังสารวัฏเนี่ยจะทําไงเนี่ยคือภัยที่เกิดจากความคิดเป็นภัยไร้ในตัวเราอย่างที่พระบาลบอกว่าองค์การสาหประชาชาติกตําหนดไว้ว่าวันที่สิบสามกันยายนเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเพราะว่าเมื่อห้าปีที่ผ่านมาสถิตินะทุกๆุกสี่สิบวนาทีมีคนฆ่าตัวตายหนึ่งคนผู้หญิงจะฆ่าตัวตายมากกว่าผู้ชาย แต่ว่าคนที่สําเร็จนะผู้ชายสําเร็จมากกว่าผู้หญิงอัตราส่วนสองต่อหนึ่งกลับกันผู้หญิงค่าตัวตายมากเป็นหนึ่งเท่าของผู้ชายอัตราส่วนสองต่อหนึ่งผู้ชายสําเร็จก็คือรุนแรงอ่ะค่าตัวตายด้วยความรุนแรงแล้วก็ตายอัตราส่วนสองต่อหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆสี่สิบนาทีทมทีคนตายหนึ่งคนทั่วโลกนะมันมากกว่าภัยทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นมาทั้งโลกเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราอะนะภัยโดยเนี่ย การนี้มันมีวิชาพระพุทธศาสนาเป็นตัวแก้ไปอยูกความคิดทําไมอ่ะอย่างเมใใื่อคืนเนี่ยขยโกความคิดในนอนไม่หลับเลยนะเมื่อคืนเนี่ยนอนไปคิดไปอาตมาก็เดินออกมาอีกทีหนึ่งประมาณสี่ทุ่มโดยเรียบร้อยแม่ดูน้ําดูไฟดูตามกุดต่างๆมีใครตกครังง้งมั้งไหมอย่างเงี้ยนะดูมีใครแปลกๆเข้ามาไม่ใช่พวกเราม้างไหมเข้ามาในเขตของพวกเราก็ามาเดินเวรเดิเนยามให้ตอนคืนเะนี่ยแล้วก็ไปนอน อ่ะคันนี้ดูว่าเมื่อคืนนะเราน อ, นอนหลับไหมถ้าเราอยู่กับความคิดนะนอนไม่หลับหรอกกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดกลางคืนหาเรื่องมาคิดนอนไม่หลับแปลกที่แปลกทางงี้ยอันนี้เนื่องเนื่องมาจากสาเหตุเราไม่ได้ฝึกตนเราไม่ได้มีศาสตร์ศาสตร์หรือว่าศิละปะในการดํารงชีวิตเต็มที่เราต้องฝึกว่านอนก็ที่ไหนก็นอนหลับ จะกินที่ไหนก็กินได้จะถ่ายที่ไหนก็ถ่ายสะดวกในโลกใบนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าเหตุการณ์จะดีหรือรายก็ตามชีวิตเราต้องกินได้ถ่ายสะดวกแล้วก็นอนหลับด้วยทุกที่ถึงเวลานอนก็ปิดสวิตช์ก็หลับเลยเห็นไหมถ้าใครนอนไม่หลับอลองวิเคราะห์ตัวเองดูลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อคืนนะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเพื่อนใช่ไหมเกี่ยวข้องกับอากาศใช่ไหมเกี่ยวข้องกับสถานที่นอนใช่ไหมมันแข็งใช่ไหมอ ะ, อะไรประเภทนี้น หรือว่าเราคิดมากเมื่อคืนหวาดกลัวหรือว่ามีความคิดมากมายเลื่อนที่มันทะลักพังโพรออกมาคนที่มีความรู้สึกตัวจะหลับสบายอันนี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าถูกหรือผิดนะแต่กำลังบอกให้สังเกตเฉยๆถามนิดเมื่อคืนใครนอนหลับสบายดียกมือขึ้นหลับปิ้งเลยปิดสวิตตื่นมาสดชื่นเอามือลงใครนอนไม่หลับมั่งเมื่อคืนยกมือขึ้นไม่ถูกไม่ผิดถามเฉยๆ นอนไม่หลับเลยมเมื่อคืนนะยกมือขึ้นย่องสูงย่อสูงอ่าเท่าที่ยอดมีอยู่หล่อมหลอมแหลมๆ ม, มานะอ่ะใครหลับหับตื่นตื่นยกมือขึ้นแล้วนอนหลับหลับตื่นตื่นยกมือขึ้นเอามือลงใครไม่ได้ยกมือยกมือขึ้นยกมือแล้วทำเป็นยังไงล่ะมเมื่อคืนนอนอ่ะอันนี้เป็นคําถามที่ถามว่ า, มาเมื่อคืนเกิดอะไรบอกเลยเกิดจากความคิดของเรานี่ยแหละความคิด บางทีคิดแล้วโกรดคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกลัวคิดแล้วกังวลคิดแล้วก็สารพัดที่มันเกิดขึ้นมาทำไมเรานะอยู่กับความคิดแล้วก็นอนไม่หลับให้สังเกตต่อไปนี้นะบางทีเนี่ยเราทํางานร่ว่านั่งอยู่ที่นี่ก็ตามบางทีมจะคิดถึงที่บ้านคิดถึงหอพักคิดถึงโรงเรียนอย่างเงี้ยนะบางทีพอเรากลับบ้านมันก็คิดถึงโรงเรียนมันไม่อยู่ตรงที่เราอยู่ตอนนี้เราต้องฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะที่นี่ให้ได้ น่ะอันนี้อทั้งหมดนั่งตัวตรงอีกทีหนึ่งตอนนี้คนนี้มาจากสูงสูงสกุลสูงสูงหรือว่าเรียนสูงสูงก็จะรู้เรียกว่ามาจากสวรรค์นะจะนั่งตรงตรงกระดูกสันหลังมันตรงสมองมันก็แล่นดีพลังลมปรานพลังชีวิตมันก็แล่นดีตอนนี้ใครจะง่วงเนื่องจากสาเหตุเมื่อคืนนอนไม่หลับอะไรก็ตามต้องแบกออกมาแล้วนะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นไป ตอนนี้จะให้ฟังเทศฟังธรรมนิดหนึ่งภัยที่เกิดจากวัตตาสงสารเนี่ยวัตภัยเนะี่ยเป็นภัยไร้ในตัวในหัวของเราเนะี่ยเกิดจากความคิดที่คิดแล้วคิดไม่เป็นแล้วคิดแล้วคิดไม่ถูกก็แน่นอนเราจะต้องทุกข์แน่นอนเพราะไม่ใช่ปัญญายาณมันไม่ใช่การทรุตรวงนะเพื่อผ่านปัญหาทั้งหมดของชีวิตเราปัญหามีเยอะมากในชีวิตของเราแล้วเปลี่ยนเป็นปัญญา ถ้าหากว่าเราฝึกความรู้สึกตัวจนกระทั่งมันเกิดสติปัฏฐานขึ้นมาเต็มรอบสติเป็นนามธรรมกายเนี่ยเป็นรูปธรรมอย่างนี้ น, นะทีนี้หน้าบัดนี้นเราจะได้รู้ว่าเออการที่มาที่วัดเปล่าสองตัวมาเพื่ออะไรจุดประสงค์ของพวกเราแล้วก็ต่อไป น, นี้นเราจะได้ใช้วิชาความรู้เราฝึกหัดตั้งแต่เวินาที่มันต้นไปเนี่ยอย่างไรนะนะแล้วก็ทําไมนะ เราถึงต้องมีการฝึกหัดปฏิบัติธรรมทําไมเป็นวิชาบังคับแต่นะ๋ยวนไม่ใช่วิชาเลือกนะวิชาเนี้ยเดี๋ยวเวลาใกล้าตายเราได้ใช้แน่รั้วมไม่ตายอะแต่ว่าเราทํางานทําการเราได้ใช้แน่นอนขณะนี้เราก็ได้ใช้แน่นอนลองฝึกดูปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกหัดกายฝึกหัดใจของเรานี่ยแหละอะต่อไปนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อไปเนี้ยเราเรามาฟัง รรมเทศนากันแล้วกันหรือว่าการแสดงคำพูดการแสดงคาพูดก็จะให้อาจารย์สมใจชื่นวัฒนาปณิธิหรือว่าอาจารย์โรชา ย, ยาตอนนี้จากนามสกุลเปลี่ยนมาเป็นชา ย, ยาซึ่งท่านก็เคยคล้ายๆการนำสิ่งนี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่สมัยมเป็นครูบาอาจารย์คนท่านเป็นร อ, องคณ บ, บดี ตอนสมัยทํางานรับราชกา ร, กรเกษียณมารกษีเจ็ดละก็กะเกษียณมาเห็นว่าชีวิตพอสมควรแล้วอายุห7ปีก็กเกษียณมาเพื่อที่จะทําเรื่องนี้โดยตรงท่านเคยสอนเด็กมามากทีนี้การบวชกระเพื่อที่จะแสดงออกถึงการสืบทอดศาสนาเรามีคนที่มีคุณภาพอยู่ในนี้หลายคนประเดนชาวนี้เดี๋ยวกล่าวอาราธนามนต์ พระอาจารย์สมใจอาจารย์โรได้แสดงให้หนักวธรรมได้ยินได้ฟังคำพูดเพื่อที่จะน้อมมากระทาหรือว่าปฏิบัติธรรมกันต่อไปกับอาราธนานิเพ้นครับผม ก็กราบบูชาพระตัตรัไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบครวะหลวงพ่อกมพระอาจารย์ทรงศิน์เพื่อนสาทธรรมิกก็เจริญพรแม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานาที่มา ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตนะก็นั่งตามปกตินะใครจะยกมือสร้างจังหวะก็ได้นะให้รู้สึกตื่นตัวนะวันนี้เป็นวันแรกของกลุ่มนะคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานนะในโครงการที่จะมาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะเพื่อให้พร้อม หรือว่าเตรียมตัวในการที่จะได้ไปทํางานนะถือว่างานที่พวกเรามาทำเนี่ยเป็นงานที่สําคัญนะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนะของคนนะซึ่งตรงนีนะ้ถือว่าเป็นบุญนะเรามาทําอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นบุญนะเป็นบุญใหญ่ทีเดียว ทีนี้ในการทำงานเนี่ยบางครั้งมันก็มีปัญหามีอุปรสรรคที่มากระทบกระเทือ น, นบางทีก็ทำให้จิตใจของเราไม่ปกติขึ้นมาเพ mm hmm. ราะนั้นโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ให้พวกเราเนี่ยได้มาฝึกฝ น, นจิตใจให้พร้อมสำหรับการที่จะทำงานหนัเท่าที่อาตมาทราบ อาชีพหมอนี่เป็นอาชีพที่หนักมากๆครูนี่ก็หนักแล้วนะแต่ว่าหมอนี่หนักกว่านะไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะยี่ชั่วโมงอุทิศให้กับผู้ป่วยนะหรือคนที่เดือดร้อนนะคนที่เป็นทุกข์ทางร่างกายนะและบางทีก็ จ, จะมีความทุกข์ทางด้านจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ นะต้องมีความแข็งแกร่งแข็งแรงทั้งในส่วนของร่างกายและส่วนของจิตใจในส่วนของร่างกายเนี่ยคงไม่ยากหรอกแต่ในส่วนของจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่ได้ฝึกเอาไว้ไม่ได้ทําเอาไว้เนี่ยนะมันก็อาจจะทําให้เร า, เ, าเรียกว่าลื่นลม้มนะลื่นล้มทางอารมณ์ได้นะหรือว่าอาจจะทําให้เสีย เสียสมดุลเสียความเป็นปกติไปได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทางกลุ่มได้จัดมาเนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมทีเดียวนะเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าคนเรามีทั้งกายแล้วก็มีทั้งใจส่วนใหญ่วิชาการต่างๆที่เราได้เรียนมาจะเป็นเรื่องของร่างกายนะหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกายจะเป็นส่วนใหญ่ จิตใจก็จะเป็นเรื่องของประสาทบ้างนะทีนี้ส่วนที่เราไม่เคยได้เรียนกันจะว่าไปแล้วในโลกเนียแทบจะไม่มีการเรียนก็ได้ไม่ว่าโรงเรียนไหนมหาวิทยาลัยไหนนะที่สอนกันเรื่องจิตใจแต่โชคดีของประเทศไทยที่มีมรดกตกทอดมานะก็คือพุทธศาสนานะหรือไม่ต้องเรียกพุทธศาสนาก็ได้ นะเพราะว่ามีชาวคริสต์ด้วยนะแต่เป็นเรื่องของชีวิตจิตใจ น, นีเป็นเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดสืบทอดมาหลายคนอาจจะมองภาพของวัดก็ดีของพระก็ดีในภาพที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักนะและบางคนก็ไปมองว่าเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อถือมันเป็นเรื่องไกลตัวเกินไป มันเป็นเรื่องที่ยังไม่จำเป็นสำหรับพวกเรายัางหนุ่มอย่างสาวนะจะไปเข้าวัดเอาไว้แก่ดีกว่านะหรือว่าตอนมีปัญหาทุกข์ใจค่อยค่อยมานะซึ่งตรงนั้นก็มันอาจจะช้าเกินไปนะหรือว่าประมาทเกินไปนะปกติเนี่ยโรคภัยแก้เจ็บปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าในวงการแพทย์เราสามารถสร้างวัคซีนได้ วัคซีนป้องกันโรคนะก็คือโรคทางกายที่เรามาครั้งนี้เนี่ยเหมือนเรามาปลูกวัคซีนทางใจนะก็คือเตรียมพร้อมนะสำหรับสิ่งที่จะมากระทบกระเทือนใจทําให้จิตใจเราไม่ปกตินะทำให้เราเป็นทุกข์นะเรียกว่ามาฉีดวัคซีนทางใจนะการฉีดวัคซีนทางใจเนี่ยนะมันก็ต้องเรียนรู้เรื่องใจก่อนว่ามันเป็นยังไงมัน เป็นทุกข์อย่างไงมันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรเนื่องจากใจเป็นนมามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราไม่สามารถที่จะไปจับเอามาดูด้วยตาได้นะแต่ก็เป็นเรื่องที่เจ้าชายสิท ธ, ธะนะัตถะแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆนะท่านก็พยายามที่จะค้นคว้าหาวิธีการที่จะไปเรียนรู้เรื่องใจ นะซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนนำมาทำนะท่านก็ไปพบว่าใจมันอยู่ติด ก, กับกายเพราะฉะนั้นการจะเรียนรู้ใจให้มาเรียนรู้กายก่อนนะกายที่ว่านี้นะก็คือดุนก้อนที่เราอยู่นี่แหละนะกายที่เราเคลื่อนเราไหวนี่แหละนะปกติถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยบางทีความรู้สึกตัวมันก็น้อยนะมันไม่รู้นะ เราก็เลยอาศัยการเคลื่อนไหววิธีการที่เราฝึกกันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะกับคนยุคปัจจุบันไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องใช้คำบริกรรมไม่ต้องเพ่งดวงแก้วแต่เราอาศัยการเคลื่อนไหวของกายนาเพื่อที่จะปลุกความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวหรือเราเรียกกันว่าสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งมาส จ, จันเป็นสิ่งที่ไวที่สุดในจักรวาล เราบอกแสงไวที่สุดในโลกแล้วความคิดไวกว่าแสงความรู้สึกตัวไวกว่าความคิดซึ่งตรงนี้เป็ น, นกลไกธรรมชาติที่มันมีแต่ว่าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาเรียนรู้นะครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังๆท่านก็พยายามจะพูดเรื่องนี้นะแต่เราก็ไปติดขัดด้วยภาษาเวลาเราเข้าไปวัดเราก็จะไปฟังเป็นภาษาบาลีซึ่งคนรุ่นใหม่เราจะไม่คุ้นเคย แต่ถ้าเราเป็นคนไทยเราพูดด้วยภาษาไทยสติสัมปชัญญะรวมเรียกว่าความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเป็นเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วการจะไปเข้าไปเรียนรู้เรื่องใจนะเราจะใสยความรู้สึกตัวซึ่งถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนกับเป็นตาอีกตาหนึ่งเรียกตาที่สเป็นตาใจที่มีอยู่ในตัวเราการจะปลุก หรือการจะเปิดตานี้ขึ้นมาได้เราก็อาศัยการเคลื่อนไหวของกายเพื่อปลุกความรู้สึกตัวนี้ขึ้นมาเรายังไม่ต้องไปสนใจนะว่ามันจะคิดอะไรใจมันจะคิดอะไรให้เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนการรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเรียกความรู้สึกตัวนะเลถ้าเป็นคนเก่าๆก็จะบอกคือเรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ปกติเราทำงานเราเรียนหนังสือในโลกปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เราจะมุ่งมองไปโลกภายนอกนะมุ่งมองไปที่คนอื่นมุ่งมองไปที่สภาพแวดล้อมต่างๆมุ่งมองไปถึงจักรวาลเดี๋ยวนี้คนตนทุกข์มากขนาดคิดว่าต่อไปในอนาคตเราอาจจะไปอยู่ดาวนู้นดาวนี้นะออกไปท่องจักรวาลนะซึ่งเป็นโลกภายนอกแต่ในตัวเราเนี่ยมันก็มีจักรวาล ที่น่าศึกษานะก็คือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกายกับใจนั่นเองโดยเฉพาะใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวมีตนมันมองไม่เห็นนะแต่มันสัมผัสได้สัมผัสด้วยความรู้สึกตัวไม่ได้สัมผัสด้วยตาเนื้อนะตาเนื้อเราไว้ศึกษาโลกภายนอกตาใจเอาไว้ศึกษาโลกภายในเพราะนั้นชีวิตที่สมบูรณ์เนี่ย เราก็ได้ศึกษาทั้งส่วนภายนอกและภายในนะซึ่งส่วนภายในเนี่ยถือเป็นส่วนสําคัญนะที่จะทําให้เราเนี่ยมีทุกข์แล้วมีสุขหรือจะไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้นะชีวิตส่วนใหญ่เราจะคลุกคลีหรืรอว่าตกอยู่ในความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจโดยเฉพาะเราทําอาชีพการงานหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนต่างๆนะบางที มีเรื่องมากระทบกระเทือนใจถ้าเป็นเรื่องดีเราก็ดีใจถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเราก็เสียใจนะแต่ชีวิตจริงๆมันไม่ใค่มีแค่ดีใจเสียใจเท่านั้นมันมีปกติด้วยตรงนี้ปกติเนี่ยเป็นพื้นฐานของชีวิตเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไม่เหวี่ยงไปทางพอใจเกินไปหรือว่า เสียใจเกินไปสุดท้ายมันจะกลับมาปกติเหมือนขณะที่เรานั่งตอนนี้ถ้าเรามีความตื่นตัวดูๆสังเกตดูใจของเราเป็นปกตินี่แหละคือพื้นฐานเป็นที่พึ่งให้กับเราได้นะแล้สังเกตเวลาเราดีใจสุดท้ายมันจะกลับมาปกติเมือเราเสียใจสุดท้ายมันจะกลับมาปกติเพราะฉะนั้นการฝึกตรงนี้นะเราฝึกที่จะ กลับคืนสู่ความเป็นปกติซึ่งเครื่องมือสำคัญก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นนะมีอยู่แล้วทุกคนแต่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังมีลักษณะที่มันไม่ฉับไวพอมันไม่ทันกับสิ่งที่เป็นนามธรรมโดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไวมากไวกว่าแสง ไอน์สไนบอกว่าสิ่งที่ไวกว่าแสงจะไม่มีตัวตนนะก็ความคิดนี่แหละหรืออารมณ์นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไวก็จริงแต่ธรรมชาติเขาก็สร้างอีกสิ่งหนึ่งไว้ที่จะให้ปรับสมดุลก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นนามธรรมาเหมือนกันนะที่เราจะมาใช้ในการที่จะเรียนรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> จากกายเนี่ย การจะไปรู้ใจเนี่ยมาศึกษาที่กายก่อนนะมาศึกษาที่กายนะที่เคลื่อนไหวหรือที่นิ่งก็ตามเรานิ่งเราก็รู้ว่าเรานิ่งเราเคลื่อนไหวเราก็รู้ว่าเราเคลื่อนไหวนะแต่ใหม่ๆเนี่ยนะโดยเฉพาะเรามาอยู่3ามวันเนี่ยเราจะสายการเคลื่อนไหวเป็นหลักอิริยาบถสําคัญก็คือการสร้างจังหวะ14จังหวะแล้วก็การเดินจงกรม วิธีการนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่ามันมีในพระไตรปิฎกไหมเป็นวิธีที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วมันจะสงบหรือเปล่ า, น, านี่ก็อาจจะมีข้อสงสัยวิธีนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนได้ค้นพบเมื่อประมาณ50ิปีที่แล้วโดยท่านประยุกต์มาจากวิธีการที่ท่านไปเรียนจากครูบาอาจารยนะ์ที่จังหวัดหนองคายนะซึ่งเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าติงนิ่ง หรือไหวนิ่งนะซึ่งปัจจุบันที่ประเทศลาวก็ยังมีอยู่แต่เขาทาช้าๆและมีคําบริกรรมด้วยแต่หลวงพ่อเทียนท่านตัดคําบริกรรมแล้วก็ปรับให้มันเหมาะกับคนยุคปัจจุบันที่มีการเคลื่อนไหวไม่ช้าไม่เร็วพอเหมาะพอดีนะจุดประสงค์ของการที่เราเคลื่อนไหวนั้นเพื่อปลุกความรู้สึกตัวปลุกจิตให้ตื่นนะจริงๆจิตเรามันตื่นอยู่แล้วล่ะ แต่มันตื่นในระดับที่ใช้การใช้งานตามหน้าที่แต่มันไม่ตื่นพอที่จะเท่าทันอารมณ์ความคิดนะซึ่งมันไวมากนะเพราะฉนั้นเราก็จะมาปลุกสิ่งเหล่านี้หรือกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ให้มันตื่นขึ้นให้มันฉับไวขึ้นเพราะนั้นความรู้สึกตัวถ้าเราไม่ได้มาฝึกแล้วเนี่ยมันจะมีความตื่นตัวนะที่จะรับรู้นะความคิดต่อไปนี้เนี่ย เราจะไม่เป็นทาสของความคิดแล้วเราสามารถต่อรองกับความคิดได้นะเราสามารถคัดเลือกได้เราจะาความคิดไหนที่มาใช้ความคิดไหนเราไม่ใช้เรามีอำนาจเราสามารถควบคุมความคิดได้แต่ก่อนเรายอมจำนนยอมจำนนกับความคิดยอมจำนนกับอารมณ์ณนะที่มันเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็เสียหลักไปเลยเสียสมดุลไปเลยนะซึ่งตรงนี้ เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะเป็นภัยร้ายแรงนะที่มีอยู่ในทุกคนทุกชีวิตแล้วคนในโลกนี้เนี่ยก็มีภัยเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆพระโทธิงงร์ตรัดไปว่าคนเราเนี่ยนะโรคทางกายเนี่ยบางคนสิบปียี่สิบปีก็ไม่เป็นนะแต่โรคทางใจเนี่ยเพียงชั่วขณะหนึ่งเนี่ยหารได้น้อยมากที่จะไม่เป็น นาโรคทางใจนาก็คือความพิจักกังวลความเครียดความเบื่อความเซงความหนัก อ, อกหนักใจหรือบางทีเราทํางานดีที่สุดแล้วนาแต่บางทีมันก็ไม่สมหวังนาอย่างบางทีคุณหมอเนีบางทีรักษาเต็มที่แล้วแต่คนไข้ต้องมาเสียชีวิตเราก็รู้สึกไม่สบายใจนาเอ๊เราทําผิดไปหรือเปล่านาซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่อาจจะกระทบกระเทือนใจได้ ถ้าเราไม่มีหลักใจเราไม่มีความรู้สึกตัวให้ดีเราจะเสียสมดุลไดนะ้ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหากับตัวเราเองปัญหากับอาชีพปัญหากับครอบครัวได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญการที่มาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะเราจะเอากายเอาใจเป็นตำราเอาความรู้สึกตัวเป็นนักศึกษา อันนี้เป็นคาที่หลวงพ่อคำเขียนท่านใช้เพราะนั้นมาที่นี่ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยนะใครมีหนังสือเนี่ยเก็บไว้เลยนะและที่เราเก็บโทรศัพท์เนี่ยจุดประสงค์อันหนึ่งก็คือเราไม่อยากให้ที่ต้องไปยุ่งกับเรื่องข้างนอกให้เรากลับมาดูตัวเราเองนะตัวเราเนี่ยมันมีสิ่งที่นักศึกษาเยอะแยะเลยโดยอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นนักศึกษาเป็นตาในที่จะไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจ เพื่อที่จะให้มีพลังเรเรียกว่าเป็นการปลูกพลังแห่งความรู้สึกตัวหรือเป็นการปลูกวัคซีนให้กับตัวเราเองวัคซีนที่จะป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้ น, นทั้งใน อ, อนาคตกด็ดีหรือในปัจจุบันขณะนี้ก็ดีขณะที่ฟังในบางคนก็อาจจะให้ความทุกข์ละแหมปกติไม่เคยตื่นเลยนาะตีสามตีสี่นี่นะ ปกใหตื่นเนี่ยบางทีก็หลับหับเตือนตื่ น, นนะนอันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์ที่นั่งนานๆมีปวดมีเมื่อยนะการปวดการเมื่อยนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันนะเราต้องเรียนรู้แต่ก่อนเนี่ยเราไม่เรียนรู้พอปวดพอเมื่อยเราก็ทุกข์ใจไปด้วยทุกกายแล้วก็ส่งผลให้ทุกข์ใจแต่ถ้าเรามาฝึกดีๆนะนะมันปวดมันเมื่อยนะแต่ใจเราไม่เป็นทุกข์อะ่ะใจเราปกติได้ เราวางเฉยได้เราเข้าใจมันเราเรียนรู้มันแต่ไม่ได้หมายก็ว่าเราจะไม่ให้เปลี่ยนอีเลียบทนะเราก็เปลี่ยนได้แต่เราเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะทีอ่อยากจะให้พวกเราเนี่ยใช้เวลาสามวันนี้นะแต่เสียดายว่าชัยภูมิจะต้องกลับก่อนนะเสียดายนะโอกาสอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีเพียงคงรั้งเดียวในชีวิต นะครั้งเดียวในชีวิตจริงๆและถ้าเราทำได้มันสามารถที่จะไปใชนะ้กับชีวิตของเราตลอดชีวิตเลยนะซึ่งอันเนี้ยเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันเนี่ยถือนะว่าเป็นวิชาสุดยอดของมนุษย์เจ้าชายศสตระนี่เรียนมาสิบเจ็ดสิบแปดสาขาเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์สิบ8็ดสิแปดด็อกเตอร์ แต่ว่าไอ้สิบเดบดด็อกเตอร์นั้นน่ะมันเป็นเรื่องนอกตัวหมดเลยเมือ่อตนสุดท้ายที่ท่านเจอวิชาที่สิบเก้าเนี่ยก็คือวิชากรรมฐ า, านเป็นวิชาที่ท่านนำมาใช้แล้วก็ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเรพูอถึงกรรมฐานานี่หลายคนขยาดกลัวแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งเพราะมันคงจะยุ่งยากนะต้องมานั่งหลับตาปีต้องมาใช้คําบริกรรมต้องมาฟังภาษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะ แต่ที่เราจะฝึกกันเนี่ยนะตัมมาใช้คำว่ากรร ม, ารรมฐานสะดวกทํานะอย่างเซเนอีเลฟว่นมีร้านสะดวกซื้อใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่ากรรมฐานสะดวกทําไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องใช้กรรมบริกรรมไม่ต้องไปอยู่ในห้องพระทําที่ไหนก็ได้ที่เรามีการเคลื่อนไหวเพราะกายใจมันอยู่กับเราความรู้สึกตัวก็อยู่กับเรานะ เพราะนั้นตรงเราสามารถทําได้ทุกเวลาที่เรารู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนแต่ในเบื้องแรกเนี่ยให้เราใส่ใจสนใจที่จะทําในรูปแบบก่อนนะซึ่ ง, งอาจารย์ส่งเสถิรก็ได้พาพวกเราได้ทําไปเมื่อวันนี้แล้วนะเราดูข้างนอกเนี่ยมันมันเหมือนจะไม่ไม่น่าศรัทธาไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้มันจะสงบยังไง หลายคนไปคิดว่าการมาทำกรรมฐานเนี่ยต้องให้จิตสงบนิ่งๆไม่รับรู้อะไรอันนั้นเป็นภาพความคิดที่ อ, อ, อาจจะคลาดเคลื่อนได้ความสงบมันมีสองอย่างหนึ่งสงบแบบไม่รู้คือสงบนิ่งแล้วไม่รับรู้อะไรซึ่งความสงบแบบนี้เจ้าชายสัตว์ได้เรียนรู้จากอาจารย์ของท่านสองท่านคืออ า, าลาลาาบทอุกทกดาบท่านก็ยังไม่พอใจ เพราะความสงบแบบนั้นมันเป็นความสงบชัว่วขณะเท่านั้นเองนะส่วนใหญ่เราก็จะนั่งหลับตานิ่งๆ น, นะไม่รับรู้อะไรเลยซึ่งอันนี้ไปใช้ในการในงานไม่ได้แต่สงบอีกแบบหนึง่งที่เรามาทำเนี่ยราลืมตาเรารู้เท่าทันความคิดเราไม่ตามความคิดนะเราสามารถที่จะปล่อยวางได้เป็นความสงบที่ตื่นรู้เบิกบาน แม้ว่าเราจะทำการํำงานเราก็สงบได้คำว่าสงบในที่นี้ก็คือใจปกตินั่นเองใจเฉยเฉยนั่นเองคำว่าใจเฉยเฉยนี่ไม่ใช่เฉยชานะไม่ใช่ด้านชานะหลายคนบอกไอ้ฝึกไปมันจะเป็นด้านชาหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นความปกติเป็นความเฉยที่พร้อมที่จะรับรู้รับทราบทำการํำงานมีสติปัญญา มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จิตใจตั้งมั่นพร้อมที่จะทำงานนะจิตใจตั้งมั่นเนี่ยเราเรียกว่าสมาธิเพราะนั้นกาสมาธิเนี่มันหมายถึงนั่งนิ่งหนงหลับตานะอันนั้นมันเป็นวิธีการนะที่ที่เราต้องการที่จะรวบรวมเอากายกับใจมาอยู่กับตัวนะเพราะนั้นการฝึกในรูปแบบเนี่ยการเอ่อ สร้างจังหวะก็ดีการเดินชมกลุมก็ดีนะขอให้ทำให้เต็มที่เรามีเวลาอยู่ไม่มากแค่3มวันสำหรับโคราช ส, สำหรับชัยภูมิก็มีเวลาแค่สองวันนะเสียดายนะซึ่งในสามวันนี้วันนี้วันแรกเนี่ยเราจะเจอกับสิ่งที่มันหนักหนาะสาหาสัส ก, กันนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่เกิน ความสามารถของพวกเราโดยเฉพาะคุณหมอซึ่งด้ฝึกนำ ม, มาหกปีด้วยงานที่หนักนะเราเอาตรงนั้นนามาใช้นำมาเรียนรู้เดี๋ยววันนี้เราจะเห็นเลยตัวเราเองเนี่ยโอ้หมันเป็นอย่างนี้หรอมันคิดมากขนาดนี้เลยเหรอทำไมมันเม่องขนาดนี้นะแต่เราจะผ่านได้นะวันแรกเนี่ยนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเออสามวันนี้เนี่ยเป็นสามวันแห่งการที่เราจะมาพิสูจน์มาทดลอง นะความรู้ที่เป็นสุดยอดของมนุษย์โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะเลื่อยวิธีการทำกรรฐานที่สะดวกง่ายไม่ยากแลนะถ้าทำได้แล้วสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการงานต่อไปนะซึ่งตรงนีนะ้จะเป็นส่วนที่จะไปช่วยเสริมคุณค่าคุณภาพของชีวิตของการงานนะ ของสังคมของโลกต่อไปได้เพียงแค่สามวันเนี่ยนะขอให้ตั้งใจให้ดีๆหนึ่งหนังสือไม่ต้องอ่าน 2. งลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นนะมาอยู่กับตัวนะมาเรียนรู้ภายในตัวเราเองล้วก็บอกว่าโลกภายนอกกว้างไกลใครๆ ร, รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลก ภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในให้มองตนนะมองตนนี้ก็คือกลับมาดูกายใจของเรานี้เองเพราะฉะนั้นวิธีการหรือหลักสูตรที่เราจะเรียนกัน3วันเนี่ยนะง่ายๆเลยและมีสูตรสำเร็จที่ท่านจารย์ทรงศิลได้บอกเราไปเมื่อวานเนี่ยเอาแค่นี้นะใจมีสติอยู่กับกายผลลัพธ์เท่ากับปกติวงเล็บสีน เอาแค่เนี้ยไม่ต้องมากอะไรเลยและเนี่ยเป็นสุดยอดไปอ่านพระไตรปิฎกแปดหมืนพัระธรรมการมันจะมาจบที่นี่ไม่ต้องไปอ่านแล้วพระไตรปิฎกนั้นนะพระไตรปิฎกอยู่ที่ตัวเรานี่แหละพุทธเจ้าก็ได้ความรู้มาจากตรงนี้แต่ก่อนไม่มีพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่เพิ่งมาเกิดเมื่อประมาณ4ี่ร้อยห้า้อปีหลังจากพระทรงปรินิพพานเพราะฉะนั้นเรามาเรียนกันตรงๆเลยนะไม่ต้องไรอ้อมค้อม แต่ก่อนหลายคนอาจจะเคยไปวัดนู้นวัดนี้ไปทําบุญแต่อะไรมันอ้อมไปนะอ้อมไปวันนี้เรามาตรงๆเลยแล้วเรียกว่ามาทําบุญเขาเรียกว่าบุญสูงสุดเลยนะบุญมันมีทานการให้ทานนะเขาเรียกว่าทานอามัยพวกเราคงคุ้นเคยดีถึงวันเกิดเราก็ไปทําบุญให้เงนินคนยากคนจนคนที่เดือดร้อนนะอันนี้เป็นทานนะทานอามัย ดอย่างอาชีพของคุณหมอนี่ก็ถือว่าเป็นทานนิมัยไม่กันโดยอาชีพแล้วก็มีศีลนิมัยก็คือการรักษาศี ล, ลซึ่งสองอันนี้เราคงจะรู้จักกันดีอันสุดท้ายคือภาวนาไมาที่เรามาฝึกกันคําว่าภาวนาคือพัฒนาภาษาไทยคือพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันมีความฉับไวขึ้นให้มันรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิด เพื่อให้ใจคืนสู่ความเป็นปกติได้บ่อยๆเมื่อใจเป็นปกติแล้วเราก็พร้อมที่จะดำเนินชีวิตพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะสัมพันธ์กับผู้คนพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับโลกในทุกสถานการณ์ในทุกเหตุการณ์ตรงนี้แหละเป็นส่วนสําคัญและพดัะนั้นสามวันนี้ถ้าเราตั้งใจดีๆ ง, งดการพูดการคุยงดอ่านหนังสือ นะแล้วก็ตั้งใจใช้เวลาทุกเวลานาทีเนี่ยให้เป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวเดี๋ยวเราจะได้เห็นอะไรเยอะแล้วมันน่าสนใจมากละครเวทีละครชีวิตมันจะแสดงให้เราดูและคนที่แสดงก็ไม่ใช่ใครตัวเราเองนะความคิดของเราเนั่นแหละแล้วมันจะแสดงตัวออกมาทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นปัจจุบันบางทีก็วางแผนไปถึงอนาคตนะมันจะแสดงออกมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็น มาโหรสพบทางจิตวิญญาณนะเป็นสิ่งที่เราจะได้ดูกันใน3วันนี้นะเพราะนั้นเราไม่มีโทรทัศน์ดูเราไม่มีอินเทอร์เน็ตดูแต่เรามีใจให้ดูใจนั้นดูได้ด้วยความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นสามวันนี้เราจะมาฝึกมาปลุกความรู้สึกตัวตรงนี้ขึ้นเพื่อให้ตาในมันตื่นขึ้นนะตาในมันตื่นขึ้นให้สามารถที่จะดู ภายในตัวเราได้นะแล้วเราก็จะรู้เราก็จะเห็นสิ่งที่มันเป็นความทุกข์สิ่งที่เป็นความดับทุกขนะ์ที่สุดของทุกข์ได้นาะซึ่งอันนี้เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนไม่ได้จํากัดเฉพาะชาวพุทธชาวคริสต์ชาวมุสลิมไม่ใช่ จ, จากัดไม่ได้จํากัดเฉพาะเป็นนักบวชหรือไม่บวชเป็นเรื่องของคนทุกคนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ เราจะได้มาเรียนรู้กันใน3วันนี้นะก็ขอโน้มนานาะในความตั้งใจของพวกเรานะที่ได้มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุก โ, โตได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาเรื่องพวกนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศีรัตน์ตรนะซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเรานั่นแหละเรามีพุทธเจ้าอยู่ในตัวนะก็คือสติสัมปชัญญะพระธรรมก็คือความจริงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจที่จะให้เราเรียนรู้นาด้วยตาในหรือตาใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ดูเราก็รู้เราก็รู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วก็พระสงค์นั่นก็คือการผพฤติปฏิบัติของเรา ที่เรามาอยู่กันในที่นี้เพราะนั้นพระธรรมจารยจริงๆอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะด้วยพระรรมจารยความตั้งใจความเพียรพยายามเปิดใจกว้างๆนะที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้และไปพิสูจน์กันดูนะเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความเป็นภกติของใจซึ่งเป็นที่สุดแห่งกองทุกนะในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร